ถ้ามีใครกล้าค้านะนี่เป็นท่าปฏิบัติของท่านเขาทิ้งไปงัน้นเชียร์ก่นไม่กล้าค้านพวกอริธรรมก็มาครับผ ม, อ, มอาจารย์ใหญ่ของอริธรรมละมาแต่ไม่กล้าจะมาถามยังไหนะจะเอาอริธรรมมาถามผมไม่เคยมาถามนะถามก็าถามที่มันจะใส่ใต้ทางนั่นนะวันนี้มันจับจ่อยอยู่กับนี่แล้วนี่จะวางไงไม่จะคุยอี่อริธรรมไปจากไหนนั่นใครเป็นผู้รู้อริธรรมถ้าไม่ใช่จิตนั่น วิยาการของพฤติกรรมทั้งหลายไปจากไหนเนี่จะมารู้ว่ารู้แต่ลําต้นอาการของมันทั้งหมดมันก็ต้องรู้ที่อกทธนันดวงเทนี้ดวงเหมือนต้นมไม้มันมีต้นเดียวนเนั้นแหละไอ้กิ่งมันไปนับดูที่รากซอยมันมันเท่าไหร่นั่นประมาณได้ไงจะไปหานับกิ่งนั่นกิ่งนี้ใบนั่นใบนี้ แล้วรากขอยนั้นรากขอยนี้ก่อนจะมาถึงต้นมันเลยตายก่อนออืหวดมันเข้าไปสิขุดมันลงไปขุดลงไปรากข่อยอะไรขุดลงไปจนสร้างถึงรากแก้วโค่นถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาสิกินเขาจำเป็นไปนับมันอะไรมันมีกี่กิ่งมันตายไปด้วยกันหมดนั่นแหละไม่มีเหลือแล้วนี่ฮข่อยลงในวงสัจธรรมนี่เกิดนี่แหละรากแก้วรากขอยตรงนี้ฟาดมันลงตรงนี้เลยฟันลงตรงนี้ขุดตรงนี้ ยาไปหลงกิริยาการภายนอกพระูุฒิที่เคเลือกถึงท่านเด็กคุณชมคือหมอเข้ามาบวชลุมเขาลาการบวชไงนะแล้วเขาเขียนแผนที่อวิชชาไว้โอเป็นวงค์เขาเขียนก็ดีของเขานะเพราะองคนี้องคนักเขียนเนี่ยเขาเขียนเป็นวง์ของอวิชชาเป็นงั้นเอเรื่องอวิชาเนี่ยสังขารเป็นงั้นมาดูนี่อาอาจารย์ท่านเด็กอาจารย์ละ มันงดู affiliated. นี่นี้เขาเขียนแผนที่ของอวิชาปรมาณนั้นขำดีนะมาดูว่าผมไม่ดูแล้วอวะ look forward forward. Okay. ขี้เกียจดูเสียเวลางวางนี่เลยผมถ้าจะปฏิบัติตามเขียนนี้ถึงมันตายมันก็ไม่รู้ว่าวิชาน่ะนะวะวิชามัไม่ได้เป็นแบบเขียนนี่นาวะแบบเขียนกับอวิชามันผิดกันคนละโลกอ๋อปฏิบัติอวิชาปฏิบัติตามแบบนี้คือตายทิ่งกระเป๋านะ วิชาปัญญาช่งคารสคาสนาปัญญาเอาตอกคแนนมันไปนู่นอืจับมันลงต้นตอวิชานี่กิ่งขแขนมันอยู่ที่ไหนมันลงที่นั่นหรอฟาดมันลงตรงนั้นนี่ม้วนผ่าโดงไปเลยบอกอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยฟั <c oughs> งด้วยความสนใจอย่างนั้นแหละมานี่มันอวิชาเขียน อ, อ, อย่างนี้มันหลอกเจ้าของอ ะ, ย, ะอย่ะงยอยากเข้าใจว่าจะแก้เดีดได้มันสั ก, สกนิดนึงเลยวะ่ะแขลแบบแผนี่หนาวะ่ะแก้ไม่ได้เราบอกนี่เลย นี้ยืนกันได้เลยว่าแก้ไม่ได้ว่านี่เลยเอาถ้าอยากสร้างเรื่องอวิชชาไม่ต้องมาเสียนแต้มมันเอาฟาดมันลงไปหัวใจนี่เลมันเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องอะไรรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นฝักพิจรณามันจะให้หนีนเรื่องอนิจจ์ทุกขังน้าตาเถอะอสุภะสุภังเอามันตรงไหนนี่แหละตรงมันที่จะม้วนชาดกอวิชชาฟาดลงไปฟาด ล, ลงไปนี่สุดท้ายมันเกิอนิจจ์ทุกขังหน้าตามันประรวมอยู่ที่หัวใจทั้งหมดนั่นแหละวะอสุภะสุภังมันประรวมอยู่ กิจหัวใจจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเพราะสิ่งนี่มันมีอยู่แล้วนี่เพียงจะมาเขียนแปลนเขียนจนวันตายประเด็นเรื่องนี้ยผมเลยไม่อ่า น, ผ ม, มานผมไม่อ่านเสียวเวลาผมฟังนี่เลย <c oughs> ก็เขาเป็นกันเองเนี่ยแล้วกันจะคุณพรมวันหนอ น, นั่ะถ้าคนอื่นผมก็พี่พูดอีแบบหนึง่งผมไม่พูดแบบเดียวกันนี่ทำให้กิเลสมั น, ห, นหัวเราะทำให้กิเลสมันร้องไห้เป็นอะไรวะ ย่ออะไรมาหลอกวิชาปาัญญาท่านป่าละยวมาหลอกเลยย่อเป็นเอาโลกแบบโลกมาใช้กับทำไม่ถูกเป็นคนคนละโลกแม้แต่ปริยตัติไม่ได้ประมาณนะปริยัติเรียนมาแท้แท้ในขณะที่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องปริยตัตไปเกี่ยวข้องทุ่หมดถ้าเกิดประโยชน์ทั้งพ่อแม่ครัวจาติท่านมาพูดกับผมผมไม่ลืมฝังหัวใจลึกที่สุด ไม่มีวันถอนไปหาท่านเป็นวันแรกไปด้วยอะว่างิทำมหาก็เรียนมามากพอทุกคนจะเป็นมาหาแต่อยาาามมาาา่าว่าผมประมาททำมิทยานาสพระวังเริ่มยกมือขึ้นเลยนะ ท, ทําการเรียนมามากน้อยให้ยกบูชาและจะ่อนเวลานี้จะไม่เกิดประโยชน์หรับท่านให้ท่านพยายามทําจิตของท่านเนี่ยเอาจิตของท่านให้ได้ให้มีความสงบเยือกเย็นเอาตรงนี้นะอย่าจะไปยุ่งกับปริญญาที่เรียนมาม า, มากน้อย เวลานี้ยังไม่สมควรจะก่อความวุ่นวายให้เจ้าของกระเป๋าให้เกิดประโยชน์ธนว่างมันเอาทําจิตของเราให้มันสงบให้ได้นะะจะสงบด้วยวิธีไหนเอาให้มันสงบให้ได้ตรงนี้อ่ะันว่างนั่นนะเมื่อถึงคราวที่มันจะวิ่งฮักออกถึงกันแล้วประสานกันแล้วเอาไว้มาอยู่ันวานี่นะเนี่ยมันไม่แห่มันถึงใจนะเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะวิ่งประสานกันระหว่างกับปริยักระปฏิบัติแล้วจะเอาไว้มาอยู่จะต้องวิ่งถึงกัน ตลอดเวลาท่านว่าเนี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ตึกปฏิวัติมาแล้วพราะว่างั้นก็เอาอย่างท่านว่าพอเราผมมันเฉนกงนี้นะเชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปแย่งท่านไหนหด้ไงเมื่อเชื่อแล้วฟาดหลังแต่กีดตงไปจนมันได้รับความสงบความสงบแล้วมันไปอยู่นั่นเสียจนทั่งท่านลากออกสู่กัมภีรู้งาง่ายมมันควรจะวิ่งหากัมภีแล้วก็วิ่งเรียเหมือนอย่างนั้นนะที่นี้ถึงไล่ออกทางด้านปัญญา พ่อทางด้านปัญญานั้นนั่นหรอพี่นี่มันรู้มันเห็นอะไรๆนี่มันวิ่งถ้าปัญญาทั้งฝ่ายแก้ฝ่ายขับฝ่ายถอนแล้วผลที่ปรากฏแล้วยังต้องเอาปญญามายืนยันอีกทีทั้งๆที่แม่ในใจแล้วยังต้องเอาปญญามายืนยันการปฏิบัติตรงนยังไงนี่เป็นไงเอาปัญญาเข้ามาเทียบปุ๊บในขณะปัญญามันวิ่งมันวิ่งของมันเองที่หี่ทั้งนี้ประสานเป็นยงไงถึงขั้นมันประสานอย่างที่พันว่ามันไม่ได้ผิดเลยนีนะ ไม่ยอมได้งไงเพราะความจริงเป็นยางไงเมื่อไปถึงขั้นแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงเอาไว้ไม่อยู่ว่ะนะยัง ไ, ไงมันต้องวิ่งประสานกันกันว่าแต่เวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์อย่านำประโยชเข้ามายุ่งนะหวามันจะเกิดสัญญาอารมณ์แทนที่จะให้รับความสงบเป็นพื้นเป็นฐานที่จะที่จะนาน่ อ, อไปมันจะเป็นไปไม่ได้ท่านบอกผมไม่ลืมพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันแนละโอ้ มันเหมือนกับมันพลิกโลกธาตุนั่นว่างเลมันปั๊บๆๆๆๆๆวับอะไรจะเรวยิ่งกว่าปัญญาวะเร่อนเนร์ดนิร์เนิรอดเนรเลยอุ้ยร้ายม่ไร